ข้อที่30อีกอย่างหนึ่งคนพานทั้งหลายเปรียบเหมือนพวกอ ม, มิตรผู้มีดาบในมือฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายเปรียบเหมือนพวกญาติผู้เป็นที่รักฉะนั้นจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อประทับทำหมู่บ้านเวลุวะคามอันตั้งอยู่ในที่ไม่ไกลเบื้องทิศทักษินแห่งเมืองไพศาลีให้เป็นโคจรคาม ได้เกิดประชวรลงพระโลหิตเท้าสกัเทวราชทรงทราบเหตุนั้นแล้วเสด็จมาทรงอุปถากพระบรมศัสดาอยู่มีให้ผู้อื่นแต่ต้องภาชนะสำหรับรองพระบางคนหนักของพระบรมศัสดาแม้ด้วยมือวางไว้เหนือพระเศียรนั่นแลนำออกไปเหมือนคนนำภาชนะของหอไปฉะนั้นเท้าเธอทรงอุปถากอย่างนี้แล้ว ในเวลาพระบรมศาสดาทรงผาสุกจึงเสด็จไปสู่เทวโลกภิกษุทั้งหลายพูดกันว่าน่าสจัญ์ท้าสากะเทวราชมีความรักในพระบรมศาสดาเท้าเธอทรงละทิพยสมบัติมาอุปถาคแล้วพระบรมศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายท้าสากัเทวราชทรงพิจารณาเห็นว่า การเห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ดีพาวะคือกิริยามีการนั่งเป็นต้นในที่เดียวกันกับท่านก็ดีพาวะคือการได้ทำวัดและวัด ต, ตอบแก่ท่านก็ดีย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จทั้งนี้แล้วจึงเสด็จมาอุปถากเราเมื่อจะทรงแสดงวงเล็บเปิดความวงเล็บปิดได้ตรัสพระคาถาทั้งหลาย ในสกกเทวินทะวัตุในสุขวักถ์แห่งพระธรรมบทว่า